นาทิเมสารานังอันยงังสังโคเมสารานังวารังสารณอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระทรงเป็นสารณอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวเชนะ ว่าเธอยังสัตธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังขังเมวันธมามเนนายังปุญยังปะสุตังอีทาข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสง์ ได้ควรกวายบุญใดในบัดนี้สาเพปิอันตารายาเมมาทสุงตัสเตจัสาอันตารายทั้งปวงอยาได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนวาจายวาเจตัสวา ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสร้างเคกุกรรมมังปากะตังมาย่ายังคำหน้าตีเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สร้างโคปฏิคันห้าตัอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้ น, น, น การันตเรสังวริตุงวสซังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสง์ในการต่อไป